อาใัยการได้ยินได้ฟังให้ผู้ฟังไม่ผู้พู ด, พ ด, พดแล้วก็เอาไปทำเอาไปปฏิบัติเดินตามรอยพระพุทธเจ้าอกพระพุทธเจ้าของเราก็ทำแน่นี้แหละมาพงได้ตัดสรูแล้วก็ไปสอนไปบอกคนอื่นก็เดก็ทาไปไปบอกคนต่อต่อไปจนมาถึง ประเทศไทยของเราในการทำสังคยาในขั้งที่สามที่สนะี่ที่ห้านสมาเชิงทุกวันนี้แล้ว่าสืบต่อเอาไว้แล้วก็ตัวปฏิบัติก็สำคัญม า, มาสร้างมาประกอบ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 แต่เราอยู่ในทะเบียนสมโนครัวว่าเป็นชาวพุทธนั่นยังไม่ใช่ต้องมีธรรมที่เป็นสุดสดต้องเป็นธรรมที่ละอุศลมมาแล้วบ้างละความหลงมาได้บ้างละความโลภ ค, ความโกรธความหลงได้บ้าง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 โรงเรียนต่าง ๆ, างๆกฎชีวัดทั้งหลายพอมาตรวจสอบแล้วมันไม่เข้าเป้าก็าต้องมาซ่องกันเพิ่มความขยันเพิ่มความสนใจให้แก่ครูผู้สอนต่อไปมันเป็นมีกฎขีวัดของเรามาตรฐานของการศึกษา วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็จะให้หลวงพ่อไปอภิพยเรื่องทำมาัรฐานศึกษาของโลกที่โรงเรียนมัธยมบ้านท่ามาพอยหวานมันมีกฎชีวัดกันอยู่มาตฐานของชีวิตเราเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับชีวิตเราอย่าทิ้งทิงง้ควงควางกันมากเกินไปพวกเรา ควรับผิดชอบตัวเองก็เท่บกับรับผิดชอบคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นโดยเฉพาะการเจริญสติมันจึงจะไปกันได้แล้วก็มีการกระทำจริงๆตั้งใจเจตนามีศรัทธามีความเพียรมีสติ จะมีจิริยาที่ทําประกอบเป็นการกระทําเป็นการกระทําลงไปจริงๆรลู่สึกตัวลู่สึกตัวเรามันก็จะเห็นอะไรต่างๆที่มันหุ่นวี่วุ่นวายมันก็นเราเลยดูอะไรที่มันปิดตัวไปเมันอเเปิดตอวมาก็จะเห็นอะไรต่างๆ บางอย่างก็เราเก็บเอาไว้ที่ไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลยเราจะมาเปิดการเจริญสติเหมือนกับการปิดของที่เหมือนกับการเปิดของที่จิตการเจริญสติเหมือนกับการสายของถิ่ควมัม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 เห็นกายมันซองเข้าไปจนเห็นว่ากายนี่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุพคลตัวตนเราเขาผ่านไปเรื่องของกายค่อยผ่านไปค่อยผ่านไปแต่ก่อนมันเป็นลุนเป็นก้อนพอซองเข้าไปเปิดออกไปแล้วก็เห็นควาเป็นจริงลงไปสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุพคลมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาสารต่างๆ ก็จะเห็นต่อไปอีกที่มันต่อกันไปมันเราลื้อสิ่งของเป็นลือ้อลื้อบ้านข้างหลังเราไปเอาแผลมันออก <c oughs> เอาจัว่วเอาหลังคามันออกโอ้ยเอาแผลมันออกเขาก็เห็นมุมที่ต้องลื้อไปอตรงตรงหน้าไปทําจทดอื่นมันก็ไม่ใส่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 ไม่จะไม่เห็นของจิตการปฏิบัติธรรมการพัฒนาไม่ใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่ตับตัไม่ใช่อความรู้อะไรที่เราจำจำจำจ ำ, จำกันมาแต่เป็นความรู้ก็ขอให้เป็นความรู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบจํารู้ทะลุทะลวงไปเห็นเวทนา ทีมันแสดงออกมาแต่ก่อนเราไม่เห็นแจ้งรอเพราะว่าเราเพราะว่าตัวเราเป็นสุข ก, ก็คือตัวเราเป็นทุกข์ก็คือตัวเราคือแท้มันไม่ใช่มันเป็นของธรรมชาติมันเป็นอาการของลูกของกายของใจเมื่อเราเห็นแจ้งมันก็จะ บอกผ่านไปแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อี่รู้สิ่งเดียวหลายข้างหลายหนเห็นสิ่งเดียวหลายข้างหลายหนได้ทํากับสิ่งเดียวหลายข้างหลายหนอันแหละมันจะเกิอดอะไรขึ้นทําบ่อยๆรู้บ่อยๆทําให้มากเห็นให้มากภาวิตาพระอุรีกตาเจริญให้มากทําให้มาก เมื่อกเราเห็นกับเพิ่งได้เห็นกันหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วเป็นห้าวันเป็นปีเป็นหลายปีมันก็จะบอกเป็นกันลยาณมิตรยังไงเป็นสัตตพุรุษยังไงเราฟังอะไรจากธ่านโยในโสใส่ใจยังไง มันจะลึกซึ้งเข้าไปการเห็นอะไรบ่อยๆมีประโยชน์เห็นความผิดก็ไม่ประโยชน์นะเห็นความทุกข์ก็ไม่ประโยชน์เห็นความโกรธความโลภความร้อนก็ไม่ประโยชน์ทั้งนั้นแหละการดูอะไรที่มันการเห็นเกิดการเห็นเนี่ถ้าเห็นครั้งเดียวมันลืมไป เมือหลวงพ่อพาอเอ่อคนไปดูต้นไม้ในป่าพระที่มาอยู่กับหลวงพ่อบอกแล้วบอกอีกนี่เป็นเห็นพญาลากดำอันลากมันมาผลใสน้มามะนาวถอนทิษกัดกัดตอยไ น, ตนไหนต้นไหนหลงพ่อก็ไปบอก นี่นะต้นนี่นะบอข้างหนึ่งเขาก็บอกว่าผมดูใบต้นนี่กับใบต้นนั้นมันก็เหมือนกันผมดูแล้วมันเหมือนกันทั้งหมดมันดูให้ออกเพราะเขาดูข้างเดียวจะไปจะไปให้มันแก่งแจ้งลู่แจ้งได้ยังไงเขาก็เห็นเป็นใบไม้เหมือนกันใบนี่กับใบนั่นมันก็เหมือนกันหลวงพ่อมันดูให้ออกผมดู้ออกเกิดความไม่สดชื่น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 พยาเสือโค้งที่ดอยอินถนนเมื่อไปเห็นอยู่ที่อื่นก็ต้นเดียวกันรถเดียวกันที่บอกไปเลยนี่เป็นพยาเสือโค้งการปฏิบัติทรมก็เป็นเช่นนั้นเห็นเวทนาเห็นกายเห็นบ่อยๆเข้ามันก็รู้รู้แจ้งได้ต่างกันอยู่ดรอก กับต้นเหมือนดื่นนะแม้จะมนกิยาอะไรต่างๆกันเช่นอยู่ในท้องทุ่งมันก็เป็นรูปลักษณะแบบนั้นแต่ในดงในป่ามันก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งเหมือนต้นไม้ในป่าในดงมะค่าแต้ในดงในป่ามะค่าแต้กับโคกมันก็ไม่เหมือนกันแต่เราดูมันเป็นอันเดียวกันมันต้นเดียวกันแต่ว่าลักษณะมันต่างกัน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 กายแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเวทนาแตกว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตนตนเราเขาหรอกครับครั้งแรกก็ดูไปเนี่ยต่อไปต่อไปเขาจะเขาจะเป็นไปถูกต้อง น, นั้นจริงจะถูกต้องถ้าไปเป็นตัวเป็นตนอยู่ในกายเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาไม่ถูกต้องมันก็ผ่านไม่ได้สักทีไปชนอยู่นั่นแหละเหมือนกับขึ้นหน้าผาเตียังไงก็ไปไม่รอดแต่ถ้าเราเห็นแจ้งขอโอ้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 มันมีเลยอยู่พอเรามีพลังแห่งความเห็นก็จะต้องเห็นแน่นอนความคิดไปต้องผ่านหน้าผ่านตาเราเราก็จะพบเห็นความคิดไม่ใช่คิดเห็นความคิดคิดเห็น ค, ความอะไรต่างๆอะไรที่มันผ่านมาอนผ่านมาเราก็ทักท่วงเห็นเห็นคิดที่มันคิดเห็นความคิด เกียวข้องกับความคิดมันคืออะไรเนี่ยเราก็เห็นเราก็รู้สึกตัวไปหลักของเราก็ะดี่อยู่แล้วสร้างความรู้สึกตัว <c oughs> สร้างความรู้สึกตัวตอนนี้หลักอยู่ดีผมก็เห็นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีตาเลื่นเอาไว้อะไรที่มันผ่านมาบ่อยๆก็เห็นบ่อยๆ หลายที่มันผ่านมาก็เห็นเจตนาสร้างจังหวะอาศัยในเม็ดสร้างเอาไว้ให้มีพลังเพิ่มขึ้นพนลังเพิ่มขึ้นรวามรูม้ในมากเราตั้งตรงนี้สร้างตรงนี้ครับเมื่อเรารู้่า ก, ก็ไปเห็นอะไรก็เกิดปินยานทะลุได้ทะลุเรื่องอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะเป็นความคิดทะลุทะลวงความคิดได้ง่ายตกทันที ถ้าเราไม่มีพลังความรู้ตัวตัวก็ติดกันเหมือนคข่องดินเหนียวใส่ฝาผนังมันก็ติดพอคิดเข้ามาก็ติดปั๊บไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความชอบเป็นความไม่ชอบไหลไปเป็นเรื่องเป็นราวบามทีร่กงกายเป็นพกเป็นชาติเป็นการเกิดดับของจิต ไ, ไปก็แล้วกันแต่ถ้าเราลูบเขาว่าเหมือนเท่งก้อนขวดก้อนหิน ใส่ฝานหนังคอย ส, สัมผัสพ้าฝนตกลงทันทีมันเป็ น, น, นขนาดพอเห็นมันคิดว่โอ้ยจกักไว้คิดไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำไมมันคิดเท่าไรก็เป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นเห็นมายาสาสตไทยของความคิดโดยเพราความคิดมันรักคิดเนี่ยแต่รักคิดเนี่ยเป็นตัวใหญ่มีอํานาจแต่ก่อนพอเรามีความรู้สึกตัวมันไม่ใหญ่นะ ความรู้สึกตัวมันใหญ่กว่าอ่มก็ตกก็ฉลาดกายเป็นความฉลาดไปเสร็จ แ, แล้วแต่ก่อนฟ้ากลายเป็นความโงไ่ไปพอคิดทีไรก็ ไ, ไปกันเป็นพวงไปโง่หลงงมงายเป็นสุข ก, ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้เป็นพิเลตันหาเป็นความยินดีกินร่ายได้ทั้งนั้นแต่มันได้คิดแล้วปลายไปไม่ตกลงเหมือนเพ่งก้อนเห็นก้อนขวดใส่ฝาผนัง พอมันคิดเราก็ซึมอะไรเข้าไปสีแดงสีดำสีสกปกเป็นคราบติดไปเลยก็เกิดจกากความคิดการคิดตัวเนี้ยมันเป็นตัวสมุทยัยอ้าวเห็นเข้าไปอ้าวมันเป็นตัวสมุทยัยแล้วนะเป็นเหตุอ้าวเป็นเหตุเข้าไปแล้วโอ้มันเกิดตรงนี้ก็ ม, มั่นใจนะแล้วก็ค่อยสว่างสวัยไปเหมือ น, นส่องไปให้คนมืด เมันแสงสองแสงสว่างให้ความมืดให้เจ่เราโลกไปหลักของเราก็มีอยู่เราก็โลกไปตาไปอย่าเพิ่งข้ามท่านดลไปเท่านี้แหละแต่ไปใช่เหตุเธอโอ้ทำไมจึงทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ฉันชอบแบบนั้นมาโลกอย่างนี้มันจะไม่ประโชน์เลยมันต้องเข้าฌานต้องมีวิวมุตต้องมี์ในโลด ต้องปฏิบัติธรอมโทธิปักเสียธรรมอั น, นมายกมือสร้างตัวอ้ามันก็ไปโน่นและบัดนมันก็มีแต่เหตุแต่ผลมีแต่ความชอบความไม่ชอบไปก็ได้ล่มเหลวไปเลยบางคนอแอนไปเลยหนักเข้าไปเลยแม้บางทีก็เกิดอะไรต่างๆเกิดความง่วงเอา้าพอโวนายจะอะไรเลย พอง่วงก็ไปจะโดดยก่ยกกับความง่วงง่วงที่ไรก็อ่อนไปเลยเมื่ออ่อนกายอ่อนจิตใจก็อ่อ น, ออนมันไม่รับรู้อะไรถ้ามันเกิดความง่วงต้องเสริมความรู้เข้าไปมันรู้ของเราลูกสิทธ์ของเรามันไม่รับรู้อะไรมันเจะหลับอย่างเดียว บอกของก็เฉยไม่รับรู้ฟังอยู่นั่งต่อหน้าเราอยู่แต่ว่ามันเฉยไม่ยอมรับคนพวกก็โพดไปก็จะคือของเราอย่างนี้มันดื้อด้านของมึงคนด้านดื้อเฉยๆยังพคไว้ด้านในโอ้เต็มทีแล้วอตัวเราเองก็วเองดื้อด้านก็เลยนิ่งนแล่ระคำของมึมงเอาะหอนนอนเป็นตัวดื้อด้านความทุ่งท่าน เ ป, เป็นเด็กที่สุขสนสุขสนอยู่นิ่งไม่เป็นมันก็นโลกรมันสุขสนคนหนึ่งมันสุขสนคนหนึ่งมันมด้านบอกไปนอนสอนไม่ฟังแล้วก็ค่อยสอนตัวเองไปมีสติรู้สึกตัวเปลี่ยนชาตออกมาจะไปกุบไปคุมกันเกินไป มันก็ทะเลถลายได้บางคนไปสู้กับขโมงมันไม่ได้สู้หรอกขโมง่มันอยู่คนละมุมกับขโมยสิบตัวอมันอยู่คนละส่วนแต่ถ้าคนทําไม่เป็นก็ไปสู้กับขโมงอหน้ า, ด, าดํำคาเตี้ยปวดเสียนเวีย น, ยนหัวไปก็แม่เวอร์ไปก็แม่ทําความเพียนบําเพ็ญภ า, าวนาเทใดขอมงโคบง่มทันที มันก็เป็นจากนั้นนะเหมือนประพุริเจ้าปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะนั่งอยู่ใต้ต้นโพอ้าวมีเจ้าของต้นโพมาแย่งบันลังโพธินะน็เป็นจางนั้นจริงๆมันก็คือตัวเรานี่แหละบางทีเราอาจจะไม่อะไรเนะีย๋ยวบ้านมีความสะดวกสบายนอนที่นุ่มที่อุ่นห้ <c oughs> นองหลับห้องนอน รู้แล้วพอเงานอนตัวโตก็เสือฝืนเดียวหมือนใบเดียวผ้าห่มบางๆมองไปตรงไหนก็ค่ายเจ้าจไม่ปลอดภัยอะไรเลยสติก็ไม่มี ม, ม, ม, มุ่งสติก็ไม่มีฟ้าเดี๋ยวก็งูมาเดี๋ยวตุกแกมาเดี๋ยวมแมลงมามุดมาเอาออกไปอะไรแบบแต่มันเคยเคยแบบนั้นเราอย่ากให้มันจะเปรียบเทียบการปฏิบัติ <c oughs> จะเป็นอะไรก็ไดนะ้นะเป็นลุยๆสักหน่อยนะสู้สักหน่อยเป็นการลุยสักหน่อยวิบากสักหน่อยอะไรที่เราไม่ได้สู้อะไรที่เราไม่ได้ฝึกหัดอนะไมันไม่มีความเฉดแขงสักทีหรอกเหมือนเขาเป็นพระเอกสารเอกก่อนที่เขาจะเป็นพระเอกนา้นเอกเขาต้องสู้นะบางคราวจะต้องเอาชีวิตไปไม่รอดนะเขาจึงเป็นพระเอกได้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 แต่จริงๆมันชื่นใจเพราะการสู้เนี่ยหละมันมีชัชนะตัวเองเนี่ยแต่หาเวทีต่างเสยอยเนี่ยชนะตนในประเสริฐที่สุดเขาก็ไม่มีอะไรหรอกความง่วงกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปนั่งง่วงนอนง่วงนอนอะไรจะไม่นอนก็ไม่นอนถ้าจะนอนก็หลับทันทีอ่ไม่ถึงสองสามนาทีหรอกถ้าจะนอนตื่ น, น, น, น, น, นก็ง่ายหลับเพรา่า ถ้าจะกินก็ง่ายที่ไหนก็ง่ายง่ายเราต้องหัดตัวเองง่ายง่ายเออถ้าจะเชียร์ตัวเองเออไม่เป็นไรเชียร์ตัวเองจะไปโอ้ยอนีไม่ไหวอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันก็ไม่ชอบคนนั่นก็ไม่ดีคนนี้ชอดีฉันชอบคนนั้นฉันไม่ชอบคนนี้นอย่าไปแบบ น, นั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไร อะไรที่เกิดขึ้นคือมันเป็นดีๆแข็งๆอเออไม่เป็นไรเรากำลังทําความเพียรอยู่มีเพื่อนแซ ล, ลขึ้นมาเออมันก็ไม่เป็นไรแต่ไปมองแบบชอบไม่มองแบบไม่ชอบแต่มันลาบลาบลื่นลื่นไปการปฏิบัติธรรมแต่มันลาบลื่นเล็หน่อยมันเครื่องดีเล็กน้อยนะไม่ใช่ไปตะกุกตะกัดการลด ตะกุกตะกับกับไปไม่ทางไหนแต่มันลื่นๆสักหน่อยมันลถคนตุ่มสักหน่อยยวิบากได้ไงลื่นๆสักหน่อยชีวิตเราก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแทนที่จะตะ ก, กุกตะกะกับไปได้แล้วลื่นได้ๆใส่อะไรอะไรก็ได้ที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอะไรที่มันเกินเกินเราหน่อยละเรียดเพียบง่าย ลูอย่างเดียวลู่ท่าเดียวไม่เป็นอะไรเท่านั้นเองไปเลือกอเห็นกายเห็นเรีนาเห็นความคิดเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับตายกับใจเราเป็นกุศลอย่างไรเป็นอกุศลอย่างไรเลือกดูสัมผัส ด, ดูมันไม่มีคำถามดอกการปฏิบัติมันมีแต่คำตอบเราก็ตอบตัวเองเสีย ด, ด้วยเราก็ถามตัวเองด้วย มันมีคำถามอยู่เออแล้วบอกอืมมันถามแล้วมันตอบอยู่ในตัวแล้วเห็นคงวามมังมัอืมเข้าใจมันแล้วเห็นความปุ่งสร้างอเข้าใจมันแล้วเห็น พ, ยพัยบาปเห็นการมราคาะเห็นความเมตตงใจสองเข้าใจมันแล้วเข้าใจเข้าใจรูจ้แล้วรู้แล้วว่าอย่างนี้ว่ารู้แล้วรู้แล้วนหะมันเป็นอ่า อเอกลักษณ์ของพันยาคนพันยาเป็นพระสองลูกแรกในด้เปนพระสองก็ลู่แล้วลู่แล้วนะลู่แล้วลู่แล้วอย่างเดียวกลายเป็นพระอริยะเจ้ า, าเป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมาเป็นลัตตนาสามพราะฟังคาสอนของพระเจ้านะแต่ถ<ม>้าเลยทำไ ม, ไไมเกิดขึ้นกําลังก็ลู่แล้วลู่แล้วนะทําไมเราจะไม่ลู่ต้องช่วยเตือนอย่างยนะอย่าไปยุ่งจนหน้า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 เอาเธอไปอยู่ในความรู้ไปอยู่ในความสุขพอาเธอ่ปจะปกลายเป็นกินทะยานไปเป็นวิวัสโนไปรู้นอกตัวไปเลยรู้ไป อ, อนุอันนี้ก็ลูกไปมันจะเป็นกินทะยานกลายเป็นวิวัสโนลืมการเจริญสติไปตอนนี้เราต้องเจริญสติไปก่อนประกอบความเพียรป่าลบความเพียรไปก่อนแม้นมันไม่รู้อะไรขอให้มีความรู้สึกตัวก็ถือว่าพอแล้ว แต่ไปเอาอะไรที่มันไปเห็นอะไรคนนั่นเห็นอันนั่นคนนี้เห็นอันนีไม่ต้องหรอกเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วนี่สิ่งที่ทำให้เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เราจะเห็นตรงนี้เราจะดูตรงนี้ให้มันเกิดพลังจะมาเกิดมหาลูกขึ้นมาเมื่อมันเกิดมหาลูกขึ้นมามนก็ละคนชั่วมันก็ทำความดีอยู่ในตัวเกิจแล้วเป็น การรักษาสิ่นอยู่ในตัวเป็นการเจริญสัมมาชีวิอยู่ในตัวเป็นการเจริญปัญญาอยู่ในตัวอนนียการปฏิบัติธรรมน่ยมั น, นสมบูรณ์เลยแหละถ้าเราเจริญสติไปกับกาย อ, อย่าไปออกไปข้างนอกอนตั้งหลักตรงนี้ไว้เกาะตรงนี้เกาะ น, น, นิดตรงนี้เอาไว้เหมือนเราปลูกต้นไม้แต่มันรากมันอยู่ในดินนา น, น, าน เกาะไว้ลากต้นไม้ฝังในดินเก็ในดินปลูกข้าวปลูกพิษฝังไว้ในดินให้มันตั้งอยู่ได้นานๆอันให้มันอยู่ที่เดียวนานๆมันก็มันก็สร้างสรรค์ของมันอ่ปลูกข้าวก็ออกลากขาวอออกกกกกายอดออกใบผิดอกออกใบต่อยอดจริงก้านสาขา ว, วันโตคืนขึ้นไว้เกิดออกออกผลไปทําน้องนั่นตัง้งไม่ติดแล้วขาดไสแล้วขาดไสขาดไปต่อก็ง่อยระเบิดแตดไปเลยไม่เจริญไม่เติบโตมอนชาวไรอ้อยนั่นนั่นมันพอเปใหญ่มันแรงช่องเดินเจ็ดอ้อยเล้กว่ายาวไปเลยมันบอกโอทีทีใ่ไหมมันแก่นได้แล้วพอมันแรงช่วงเดินเจ็ดเดือนแปดเนี่ย ตันั่นอ้อยก็ลังปลูกใหม่ก็ลังต้องการถึงแวยนรอมทีเดียปลายมาเป็นความแห้งแล้งไปพอมันแห้งแล้งในช่วงนั้นก็อ้อยก็ข้อถีไม่ยืดเลยไปคงไม่อยาวอ้อยทริงจรนะมองดูของใครก็ต่ำๆเตีต้ยๆนะชีวิตเราก็มันกานนะมันจะยกแกนไปนะแกนมันกดดานนะพยายามตั้งต้นให้มันดีๆสร้างความรู้มันดีๆ ปรับกายปรับใจดีๆปรับฉากดีๆตั้งฉากดีๆเริ่มต้นให้ดีๆอ่ามันมีความถูกต้องอยู่ว่าฉากไหนมันไม่ดีก็เอามาเ่หมือนตาจะเราดูดอะไรนะ่มันดูไปดูไปบนท่าเขาปรับสายปรับสายตาปรับเปลนตาบันทีเราต้องของอย่างหลวงพ่อนะ่ะตามันไม่ดีมัวดู่นังสือไปมันแสบยตา <c oughs> เ <c oughs> มื่อมันแสบตาก็พักเอามือนิ้มือมันนวดตาสลับตามันพักผ่อน <c oughs> แล้วก็ค่อยเดินดูไปดืนอยู่ข้างที่สองเมื่อกแสบเสร็ก็หลับตาไว้ก่อนใจดีๆอตั้งใหม่ให้มันปรับเลนใหม่เอาดูอีกมันแสบอีกก็หลับไว้ก่อนนวดไว้หลงเทีนน้ำตามันไหลเอาผ้าจากเช็ดเช็ ด, เ, ชดเมดหน่อยโลตาเอาดูไม่ ดูไปดูมามันก็ดูได้มันปรับของมันอยู่หลายตัวให้โอกาสมันบ้างสายตาเราเนี่ยเราจะดูอะไรใจจะไปก็เลยพุ่งไปเลยพอดูไปได้หรอจะดูก็ได้ทิ้งหนังสือไปเลยมันก็ไม่ได้จะเสียต้องปรับต้องปรับต้องปรับมันก็มีอความเตรียมของมันอยู่การทําอะไรก็เหมือนกันนะมันมันก็ต้องเลย ความพร้อมพอสมควรเตรียมเนื้อเตรียมตัวการปฏิบัติธรรมปรับใหม่อยู่เรื่อยอรียบบทเนี่ยถ้าเราทําเนี่ยให้มันใหม่ๆอย่เรื่อยนะคามันเก่าคำกผข้าเครึ่งหลงเครื่องลูกอย่าไปอยู่แบบนั่นอย่าไปทําแบบนั่นอย่าไปเป็นคนคนเครื่องหลงเครึ่องลูก้าหลงก็เห็นหลงจริงๆเดีวเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ได้จริงๆทันควรจริงๆอะไรนะ <c oughs> ันที่หลงเราก็ให้ฟรีอยู่กับความหลงนั้นเถ้ อ, อยู่กับความหลงมันไม่ใช่นอกปฏิบัติพอมันหลงก็เกิดกลางกระตือรือร้นสร้างความรู้ขึ้นมามันมีอยู่มันทำได้อยู่แต่เราจะไม่ทำก็พลาดตรงนี้เสร็จแล้วหลงี่ใดความหลงก็เอาชีวิตเราไปฟรีเสียเวลานั <c oughs> ้นกับขโมยมันลับ ของสลากสลากหัวใจแต่ก่อนเราก็ซื้อเครื่องขยายมาไว้เอามาวางทุนโท่อไว้ตรงนี้มันก็หายไปเออมันจะอาจจะหลงหรือเปล่านอสหยิบหิบไปมันหลงหรือเปล่าบางทีเขาอาจจคิดได้ลต่บ้างเอาของวัดของว่าเราก็ไม่มีอะไรเอามาเครื่องที่สองเอามาตั้งไว้แล้วเอาไปหยิบกันไปอ่ามันไม่ดีจะแล้วกัน เขาก็เลยไปทำคอกใสเอาเหล็กมาทําคอกใส่มันก็อยู่ได้ไปเนี้นี่ก็ป้องกันว่างไม่ป้องกันไปเลยมันก็มันก็จิบหายเราเหบางกันนะเราต้องป้องกันความหลงในความมันกันเราจะป้องกันความหลงอราจะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เูจะเปลี่ยนความผิดเป็นความถูก รู้จะเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันจึงจะเหลือมันจึงจะมีอะไรเหลือชีวิตเราแต่ที่มันไม่มีอะไรเหลือหมดไปเลยโกรธก็โกรธไปเลยหลงก็หลงไปเลยทุกข์ก็ทุกข์ไปเลยโกรธโตกหลงตกทุกข์ก็เลยไปทางโน้นเลยคล่องที่สุดเลยง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธกลายเป็นจะลิดทิสใสไปถ้าเราไม่หัดมันก็ไปทำนองนั้นนะ มันเป็นกามะขุณวัตถุกามะคุ ณ, าคณตาด้วยหูด้วยสมองรีดกายใจโลกรลติ่มเสียงเนี่ยมันเป็นมันเป็นทางของเขาที่ไปทางโน้นไหลไปโน่นมอนน้ำไหลจากที่สงูงลงสู่ที่ต่ำมันก็ไหลไปนั่นเต็นตีเต็นเบี้ยน <c oughs> ซ้ลอลงจนเป็นหน้วยหนองของมึงแล้วก็ขวงกันไว้บ้าง การู้จักขวงกันแไปกระสอบทรายของเราคือความลู่สึกตัวพิกมือขึ้นลู่สึกตัวขวงไว้แล้วยกมือขึ้นลู่สึกตัวขวงไว้แล้วเอามือมาใส่หน้าท้องหนลู่สึกตัวขวงไว้แล้วอ่ามันเคยไหลมันจะไม่ไหลมันไปอยู่แล้วอยู่แล้ ว, อ ย, ลวอยู่แล้วอย่างนี้นะ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 ตายจากความโลภตายจากความสุกตายจากสิ่ตายจากสมาธิตายจากปัญญาตักไม่ได้สักหน่อยเลยไปที่ไปแล้วไปแล้วรักแล้วชังแล้วยินดีแล้วกินไล่แล้วสุขแล้วทุกข์แล้วไปอยู่อย่างนั้นนะไอ้ว่าไหลไปสันตติเกิดขึ้นทันทะเลไหลไปอันนี้เรามามาขวงไว้มาทึ่งก็สอบใายลงใส่ แต่มันเป็นเหีวก็มันจะตื้นขึ้นมาจงมงหนึ่งได้ตั้งสามพันกระสอบนะโยนลงไปโยนลงไปรูดทุกวินาทีรูดทุกวูนาทีพอดีพอดีนยะมันจะเต็มขึ้นมาถ้าเป็นกับนะกับเตนนม็มเมนี่เอ่อพระชุเมรลึกลอยโยดกว้างลอยโยดยาวลอยโยดมีเทวดาเอาเม็ดมางาังกา มาทิ้งลงตีละเม็ดทีละเม็ดจนสะนั่นเต็มไปด้วยเม็ดงานอันเขาเรียกว่ากลับหนึ่งโอ้ถ้าเป็นกลับที่อยู่กับเรามันหลงไปตลอดเราทิ้งลงไปทิ้งลงไปทิ้งลงไปโถมเท่าไรไปรู้จากอิม่มทางตาทางหูโกรธเท่าไหรก็ยังโกรธอยู่ทุกเท่าไรก็ยังทุกอยู่หลงเท่าไหรก็ยังถหลงอยู่รักเท่าไหรก็รักอยู่ ยังยินดียินล่ยอยู่มันเป็นหิวมันเป็นหิวมันลึกชีวิตของเราก็อยู่ได้ลึกอยู่นั่นยไม่เต็มไม่เรียบเหมือนหน้ากองใสศาสนาพระชิลป์อาลีอัเพเตยแผ่นดินมันจะเรียบเหมือนหน้ากองใสเพราะเราจึงลูเป็นลูลงไปลู่ลงไปลู่ลงไปเหมือนเทวดาทิ้งเม็ดงลงไปในสระ โลงไปโล่งไปมดเต็มขึ้นมาบุญนี่คือเต็มมันเต็มไปด้วยความรู้สักตัวเนี่ยนะาาการปฏิบัติธรรมทุกคนสามารถทำได้อยู่ใครก็ไปทางนั้นเหมือนกันไม่แต่พุทธเจ้าก็อาจจะเป็นมากกว่าเราน ะ, ะเพราะสิ่แวล้องของพระองค์ดีมากประ ส, สาท ต, ตั้งสามระดูโอเค เาสาขนมในเป็นสี่พันห้าพันสี่ร้อยห้าร้อยมีแต่สติไม่มีบุรุษเสือมนอนอยู่ในเสียงเวดล้อมแบบนั้นขนาดนั่งทองอย่างลุยออกมาได้พราเราเนี่ยถ้าจะเป็นการปฏิบัติก็สะดวกมากกว่าพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพ ยยงก็กรดผฝนก็กเปียกลมพัดก็ะนะล้นหนาวเราเนี่ยมีสารามีสติมีข้าหอม ม, มีนิติเพื่อนเราองค์อยู่ลำพังองค์เดียวมีเด็กชายสวัสดิ์สิบปีมาเลี้ยงควายอยู่แถวนั้นานามสุชาดาอายุสิบห้าปีส6บหกปีเอาอาหารมาส่งมาให้ อาจจะว่าเวากับพวกเราเมื่อฮองมาเปรียบเทียบกับประชาทสามดูที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์โอ้ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แหวล้อมไปท่าท่าบริวารทาหารหารทั้งหลายปกครองดูแลมาให้ลาบากอะไรเลยไปไหนไม่ต้องเหยียบติ่มสักเม็ดเลยในราชลถประดับตกแต่งเพชเงนสินดาวนะพระองค์ยังผ่านไปได้กา น, นพวกเราน่ะอับอย่างบ้างเลย ต้องให้มีความมั่นใจมีความมั่นใจในการปฏิบัติมีความมั่นใจในตัวเองบ้างให้มีพลังใช่ไหมหลวงพ่อก็เคยคิดแบบนี้นะมีความมั่นใจแม้ยังทําไม่ได้ก็ยังมั่นใจเอยู่สามหลวงปู่เทียนนะหลวงปู่เทียนนะหลวงพ่อครับหลวงพ่อปฏิบัติทำเมื่อหลวงพ่ออยู่เท่าไหร่ 4, ปีที่หกปีหลวงพ่อเทียนตอบ เราอายุสามสิบปีนะปฏิบัติใหม่ๆอายุสามสิบปีเนี่ยเราก็ต้องแข็งแรงกลัวหลอกข้อเทียนก็มั่นใจตัวเองแล้วเราก็ไม่กลัวงานกลัวการด้วยไม่กลัวคำว่า ง, งา น, นจะยากขนาดไหนเราก็เคยสู้มายกมือสร้างเจ้าว่านี้มันเป็น ง, งานไหมแค่นี้เองนั่งเขาแค่นี้เองแต่ก่อนเราหลังสโซ้าหน้าชุดเดนเรยยังทําได้นละย อันนี้ยกมือสร้างแปลว่ามีสติเนี่ยโอ้มันก็ก็ตือนรือล้นเลยไปเดียวงานพระพุทธเจ้านางแต่ก่อนเราทํางานกิเลสหมดเลี้ยวหมดแรงเพราะกิเลสหมดเลี้ยวหมดแรงเพราะความโลภความโกรธความหลงเงืไหลเท่าไหล่จ็ป่วยเพราะเรื่องนั่นเท่าไหร่ับัด น, นี้เรามาสร้างอันนี้ขึ้นมาให้ชีวิตตัวเองเนี่ยกอบขึ้นมาทำขึ้นมาเนี่ย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 แห่งการศรัทธาไม่จดมันก็มีแบบอย่างอยู่แล้วมีพระพุทธเจ้ามีเหล่าพระสาวกมีคำสอนเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นขั้งว่อไตรปิฎกเป็นขัีพระสูตรเีพระวิธรรมไม่พระวินยัยสมมูลแบบ เราไม่ใช่เพิ่ัดไม่ใช่สุ่มอะไรชัดเจนทีเดียวกายเราก็ไม่ลบมมอสร้างจังหวะเคลื่อนไหวไปมานีน่เราจะไปเชงอ๊ะชะง่าอยู่ทำไมพอที่จะก้มหน้าก้มตาด้วยความสุดชื่นรับเอาใส่อย่างขออกขอใจเป็นงานพุท ธ, ธะเป็นงาน ศาสนาเป็นงานของพระโที่สัตว์เป็นงานของพระอริยเจ้าเป็นงานของธรรมะทรงไหวทรงไหวทรงไหวรู้สึกตัวไห้รู้สึกตัวไว้วไวเนี่ยคือธรรมะธรรมะคือทรงไหวตั้งไหวแต่มันดีไหมความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องมีคําถามไม่ต้องมีคําตอบถ้าใครได้รู้สึกตัว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 มันจะบอกเราใส่ไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาไม่ใช่ไปเห็นอะไรบางทีอาจจะเกิดนิมิตก็ไม่เป็นไรเรารู้สักตัวเราอยู่จนว่าพอเกิดนิมิตไน้อยพราะเราลือนตาเราไม่เพิกขวัญเราไม่เราไม่ได้วาดมโนภาพอะไรไม่ปล่อยเช่งขว้างอะไรเราชัดเจนอยู่แล้วรู้จักตัวอยู่แล้วเนี่ยเห็นงานเห็นการที่เราทําอยู่นี้ แล้วก็มีครวาจารย์มีเพื่อนหลงพอก็ไม่ค่อยได้อยู่แต่ว่ามีอาจตรยงศิลป์ท่านตุ่มท่อนโนดทุกคนดันหรือกิจาจารย์เสือทัดเป็นเพื่อนเราคงไม่พากันหลงทิศหลงทางนะอะแม้แต่เราคนเดียวก็ยังทําได้ไม่กลัวอะไรอาจารย์วัลุทำแนวอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในศาลาหอไต่อาจจะเดินจำกรง หลวงพ่อประโยชนกับหลวงพ่อเทียนเน่ะเฮฮาล้ยอยติดเนี่ยหลวงพ่อเทียนส่งไปอยู่บ้านท่านบ้านหน้องบ้านบุหงไปอยู่หลังเขาคนเดียวนะเราไปโยมบ้านหลวงพ่อเทียน เ, นยเขาได้หรือว่าบรรลุธรรมจะ้ะขณะที่เก็บไหว้นะพอเมื่อเจ็บไ้า้เขาจะทําผ้าถุงอะไร ชาวบ้านบุหงาเขามีอาชีพตกฝ้ายอาเจ็บป้ายลู่เจ็บป้ายเขาลู่จากคาตอนนั้นบางคนเขาบอกว่าขณะที่เลี้ยงหมูนะอ า, อาหารให้หมูหมูก็ลง่งคนเที่ยวอาหารให้หมูมก็เป็นลูกนะเนหมูก็เป็นลูกนะเราอาหารให้หมูเราก็ทําความดีนะเกิดความลู่แจง้งขณะที่เลี้ยงหมูก็มีโยมผู้หญิงคนหนึง่งอายุไม่มาก ชมผู้หญิงคนหนึ่งอายุไม่มากเ0็บฝ่าย อ, อยู่ในไล่ฝ้ายนั่นน่ะกา<ม>รปฏิบัติธรรมมันเป็นสานกลการเจริญสติเนี่ยพวกเราเนี่ยมันมีแต่มีงานมีการกันทั้งนั้นแหละผมลู่เจตัวก็ไปทา ง, งานกับการเพิ่มเข้าไปเติมเข้าไปอาจจะไม่ิดใส่มีปัจจัยไปเอง อ, อาจจะไม่ได้อยู่อดิบทที่ยกมือช่างจังหวะเหมือนพระอรหันต์สมัยก่อน เห็นใบไม้่วงลงมาก็ได้บรรลุธรรมบางทีโกนผมยังไม่ได้บวดเลยเห็นผมตกลงมาก็ได้บรรลุธรรมบางทีเห็นโสเพณีร้องไห้เจ็บปวดก็เป็นโลกได้ยินเสียงร้องของโสเพณีเป็นโลกเจ็บปวดร้องออูออ้ได้บรรลุธรรมเลยท่านบอก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 การปฏิบัติธรรมหลักของเราคือความรู้สตัวเลยไม่ได้หายากอะไรไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้ฮะตอนนี้หลวงพ่อก็จะไปลงแขกทํางานที่ท่ามา ว, าาว่าไฟวันชาววาดเมื่อวานว่าจะมาร่วมทำวัดเราจะมาพกหลวงพ่อเจริญไม่ได้มาเราเลยมั่นใจว่าหลวงพ่อกับหลวงพ่อเจรัญเป็นอันเดียวกัน แต่อยู่ยังไงก็ได้ฐานะแบบไหนก็ได้ข้ามาเขาก็เตะกองไปชมประชมก็ก็ไม่มนลุงพ่อให้อยู่พอเลยประชุมกันแล้วจึงค่อยมาแล้วก็มีนาคมาบวชเอออะไรมาปปปปมาลุงพ่อไป่ร่้ตัวมาบวชเขาบอกว่าเขาเป็ น, ป น, ปนลูกชายของเขา